รัตนวัค5มันจะปีถาสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงและตังเรื่องพระอุปนันทศักยบุตร521สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทศักยบุตรนอนบนเตียงสูงคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกตามเสนาสนะพร้อมภิกษุหลายรูป ผ่านไปทางที่อยู่ของท่านอุปนันทสักยบุตรท่านได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วได้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรเตียงนอนของข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าข้าครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้เสด็จกลับจากที่นั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงรู้จักโมฆะบุตรเพราะที่อยู่อาศัยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ได้ทรงตำหนิท่านอุ ป, ปนันทศักยบุตรโดยประการต่างๆแล้วตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากแล้วจึงราบสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้